ผ่านไปสองเดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้ลาสิกขาเพราะนอกจากจะไม่ทำพิธีศึกให้แล้วหลวงพ่อเดิมยังให้คาถาแก่ท่านทุกวันวันละหน้าและบังคับให้ท่องให้ได้ภิกษุหนุ่มมัวกังวลกับเรื่องคาถาจนลืมเรื่องศึกไปชั่วคราวคืนวันหนึ่งขณะทำหน้าที่นวดให้สมภารวัดหนองโพพระหนุ่มก็ถามขึ้นว่า หลวงพ่อครับหลวงพ่อให้คาถาผมตั้งมากมายผมทั้งจดทั้งจำจนแทบว่าจะจำไม่หวาดไม่ไหวแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีแต่พอผมเห็นหลวงพ่อเป่าเพียงดีเพียงดีให้คนอื่นผมไม่เห็นหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเลยแบบนี้ผมก็เสียเวลาเปล่านะสิครับพิกษุชราหัวเราะเหืก่อนตอบว่า ขาถามันไม่คลั้งหรอกคุณเขาเอาไว้เป็นองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งตังหาเป็นอย่างไรครับที่ว่าจิตเป็นหนึ่งพระหนุ่มไม่เข้าใจภาษาบาลีเขาเรียกว่าจิตตสกขตาหรือที่เรียกสั้นๆว่า เอกคตาแปลว่าภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุงสารหรือสายไปที่ฉันบอกว่าคาถามันไม่ครั้งไมาความว่ามันเป็นเพียงบทฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ใจมั่นซึ่งภาวะจิตเช่นนี้ เรียกว่าเอกคตาหรือจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งใจมันคือความตั้งใจถ้าตั้งใจต้องสำเร็จหมดไม่ว่าจะทำอะไรทีน่นี้การทำให้จิตเข้มแข็งหรือให้ใจมันต้องมีองค์ภาวนา ซึ่งเรียกว่าคาถาต้องภาวนากระชังจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถึงขั้นอปปนาสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องว่าคาถาเลยอปปนาสมาธิเป็นอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามอีกหมายถึงสมาธิ ขั้นสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายสมาธิมีสามระดับได้แก่คณิกะสมาธิหมายถึงสมาธิชั่วขณะอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิจวนแนวแน่ส่วนระดับสูงสุด เรียกว่าอปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแนวแน่เมื่อถึงขั้นนี้จิตเป็นเอกะขะตาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็ได้จิตที่ตั้งมัน่นจะมีพลังมหาศาลมีอนุภาพมา สามารถทำในสิ่งที่คนปกติธรรมดาทำไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเพียงดีของฉันครั้งหรือไม่ก็ขอให้ทองคาถาต่อไปทองจนจิตเป็นเอกคตาแล้วคุณจะรู้เองภิกษุสูงวัยอธิบายกระจ่างชัดที่หลวงพ่อเล่ามานี้ ทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นเด็กสนอีกล่ะสิคนอวุโสกว่าพูดดักคอครับสนที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่พระหนุ่งยอมรับอย่างภาภูมิคุณไปสนอะไรอีกละ่ะเล่าให้ฉันฟังบางสิท่านชอบฟังเรื่องราวของภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นดูเขามีเรื่องสนุกตื่นเต้นมาเล่าให้ท่านฟังอยู่ บ, บ่อย พระเจริญเป็นคนอ่อนน้อมทำตนมีสัมมาคาระวะไม่เหมือนพระอุย้ยซึ่งมักจะคุยโวโอ้อวดแล้วก็ชอบเรื่องโกหกสมภารวัดหนองโพรู้สึกอย่างนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับภิกสุหนุ่มตั้งต้งตนเล่าที่วัดใหม่ซึ่งอยู่แถวแถวบ้านผมมีเน้นประสาทไม่ค่อยดีอยู่รูปหนึ่งชื่อเน้นดิ่งคนในระแวกนั้นเขารู้กันหมดว่า เนนดิงเป็นโรคประสาทอ่อนๆวันหนึ่งหลวงตาตายซึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งได้มาหลอกเนนดิงว่าท่านมีคาถาปลุกพระให้นั่งได้เนนดิ่งก็ขอเรียนคาถาหลวงตาตายก็บอกว่าให้ท่องนะโมพุทธายะเนนก็ไปหาพระพุทธรูปนั่งมาองค์หนึ่งจับให้นอนแล้วนั่งบริกรรมนะโมพุทธายะ นโมพุทธายะทำอย่างนี้ทั้งวันพอฉันเสร็จก็นั่งบริกรรมนโมพุทธายะนั่งหลับตาบริกรรมนะครับนานๆจะลืมตาดูสักครั้งว่าพระลุกขึ้นนั่งหรือ ย, อยังวันหนึ่งผมไปเห็นเข้าเลยถามว่าเนนภาวนาทำไมเนนแกพูดกับผมว่ามึงไม่รู้เรื่องกูไปเรียนจากหลวงตาตาย ท่านบอกนโมพุทธายะนโมพุทธายะปลุกพระให้ลุกถ้าทำได้ทำอะไรได้หมดแกพูดอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อเลยหาวิธีแกล้งแกคุณไปแกล้งอะไรนี้อีกล่ะถามอย่างนึกเอ็นดูผมก็แอบปีนเข้าทางหน้าต่างไปจับพระพุทธรูปให้นั่งแล้วปีนออกไปพยายามไม่ให้มีเสียง พอเนนลืงตามาเห็นพระนั่งดีใจใหญ่เรียกใครต่อใครมาดูบอกพระนั่งแล้วพระนั่งแล้วทั้งพระทั้งเนนต่างพากันมาดูแล้วก็เชื่อสนิทว่าพระนั่งได้จริงๆมีผมอยู่คนเดียวที่รู้ว่าที่พระนั่งได้เป็นเพราะฝีมือผมคนเล่าอมยิม้มแมคุณ น, นี่ ช่งสนเสจ็ดจริงๆริสุทธิชราว่าพลางหัวเราะหึ่ๆครับตกลงว่าเนนดีใจจนไม่ยอมฉันเพลงสมภารต้องมาดูคิดว่าแกอาพาธพอเห็นแกนั่งขัดสมาธิมีพระพุทธรูปนั่งวางอยู่เบื้องหน้าสมภารก็ถามวันนี้ทำไมไม่ฉันข้าวเนนแกก็ชี้ให้ดูพระพุทธรูปปากก็ว่าพระนั่งแล้วพระนั่งแล้ว แกชี้พระพุทธรูปนั่งที่วางตรงหน้าท่านสมภารไม่เชื่อจึงสั่งว่าไหนไอ้เนนมึงลองทําให้กูดูสิเนนแกก็จับพระพุทธรูปนั่งให้นอนลงหลับตาบริกรรมนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะหลวงพ่อทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพระหนุ่มถามพระอาวุโสฉันจะไปรู้ได้ยังไง ในเมื่อฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยคุณนี่ามพีก่กนลุงพ่อเดิมต่อว่าปรากฏว่าพระนั่งได้ครับผมเห็นกับตาเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตอนนั่งได้ครั้งแรกผมไม่แปลกใจเพราะผมเป็นคนจับให้นั่งแต่พอนั่งครั้งที่สองผมสงสัยมากจึงเข้าใจตามคนอื่นว่า คาถาเนนครั้งเพิ่งจะมาเข้าใจอย่างทองแท้เมื่อฟังหลวงพ่อเล่านี้เองจบหรื อ, อยังเรื่องที่คุณเล่านี้นะ่ะหลวงพ่อเดิมปิดปากหาวยังไม่จบครับแต่ถ้าหลวงพ่อง่วงจะหลับก่อนก็ได้ตื่นแล้วผมค่อยเล่าต่อภิกษุชาราจึงหลับอย่างว่าง่ายท่านหลับไปหนึ่งชั่วโมงก็ตื่นพระเจริญมั่นใจว่า ท่านต้องสั่งจิตได้ว่าเมื่อใดหลับเมื่อใดตื่นเล่าต่อสิฉันกำลังฟังท่านบอกพระเจริญทันทีที่ลืมตาเมื่อกี้ผมเล่าถึงตอนไหนแล้วครับภิกษุหนุ่มต้องการทดสอบความจําของภิกษุวัยร้อยสามปีถึงตอนพระพุทธรูปนั่งเองโดยไม่ต้องมีเด็กซน ไปจับให้ลุกขึ้นท่านพูดเสียสีพระหนุ่มครับคนเขาเล่าลือกันไปทั่วแล้วก็พากันมาขอให้เนีนทำให้ดูเนีนก็หลับตาภาวนานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพระก็นั่งทันทีวันหนึ่งมหาทองมาขอดูมหาทองแกเคยบวชที่วัด ต, ตึกราชาได้ป ร, ริยนรมสี่ประโยคภายหลัง สึกออกมาเป็นเขารือหัดตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดตึกราชานั่นเองมหาทองมาถึงก็ถามเนนดิงเนนว่ายัางไงพระถึงได้นั่งเนนแกก็ตอบว่านะโมพุทธายะมหาทองบอกไม่ได้ต้องว่านะโมพุทธยะเชื่อผมสิผมหมหาป ร, รียนสีประโยคเชียนานะโมพุทธายะมีที่ไหนกันเล่าเนนดิงแกก็เปลี่ยนมาว่า นโมพุทธายะนโมพุทธายะว่าอยู่เป็นเดือนพระก็ไม่นั่งสักทีฟังหลวงพ่อพูดมตุตตะกี้ผมเลยเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าคถามันไม่ครั้งความครั้งอยู่ที่จิตตั้งมัน่นพอใจรุ่นเรพระก็ไม่นั่งอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนเข้าใจอะไรอะไรง่ายดี เพราะอย่างนี้แหละฉันถึงอยากถ่ายทอดวิชาให้ฉันไม่เคยให้ใครเลยนะคุณไปถามดูได้ว่าคนในวัดมีใครเคยได้คาถาอาคมจากฉันบ้างไหมถึงเนีนเวาซึ่งเป็นเล้นฉันก็ยังไม่ให้เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขา แต่สาหรับคุณมีประโยชน์แน่นอนผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรเรียนตามตรงว่าที่ผมมารับใช้หลวงพ่อถึงสองเดือนนี่ใช่ว่าจะมาเอาวิชาวความรู้อะไรผมต้องการมาศึกเท่านั้นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อทำพิธีศึกให้ผมด้วยนะครับผมคิดว่าศึกดีกว่านี่ก็เลยพรรษามาเกือบสามเดือนแล้ว ให้ผมสึกเถินนะครับผู้มาจากต่างถิน่นทั้งขอร้องและวิงวอนเ อ, อสึกดีลุงพ่อเดิมยังคงพูดเหมือนเดิมครับสึกดีแน่นอนพรุ่งนี้ผมได้สึกแน่ใช่ไหมครับผมไม่อยากได้ยินลุงพ่อพูดซ้ำๆสักๆว่าวันนี้ยังไม่มีเริกต้องรอพรุ่งนี้ พุ่งนี้หลวงพ่ออย่าพูดแบบนี้อีกนะครับผมศึกแน่นะครับเออศึกดีหลวงพ่อเดิมตอบเหมือนเดิมอีกพระเจริญรู้สึกอ่อน อ, อกอ่อนใจสมภารวัดหนองโพพูดเช่นนี้มานับสิบครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมทําพิธีศึกให้ท่านอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้เช้าท่านจะต้องขอศึกให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทันทีที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็จภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นก็รีบรุดไปที่กุฏิสมพานวัดหนองโพกราบเป็นจางค้าประดิษฐ์สามครั้งตามธรรมเนียมแล้วจึงเอ่ยวาจาหลวงพ่อครับได้เวลาแล้วสึกเถอะ ท่านหิวกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้าคารวาสมาด้วยท่านจะศึกไปทำไมแกปูนนี่แล้วภิกษุชาราตั้งใจยัว่วไม่ใช่ศึกให้ผมหลวงพ่อจะศึกให้ผมไงล่ะพูดเมื่อไรเมื่อคืนนี้หลวงพ่อยังบอกเลยว่าเออศึกดี ข้าพูดกับแกอย่างนั้นเมื่อไรข้าว่าศึกษาเรล่าเรียนดีตั้งหาภิกษุวัยร้อยสามหาทางออกจนได้การเปลี่ยนมาใช้สรพนามข้าแกแทนชั้นคุณก็เพื่อแสดงความสนิทสนมแตว่าภิกษุหนุ่มกลับไม่ฟังเสียงพูดโกรธว่าอะไร ศึกก็คือศึกมนุ่งกางเกงใส่ชุดคารวาสพูดพร้อมกับหยิบเสื้อผ้ากับกางเกงออกมาประกอบคำพูดเริกศึกยังไม่มีเลยคุณภิกษุทราพูดเสียงปกติด้วยรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังกโกรธอา้าวก็กล่าวกระผมบอกวันเดือนปีเกิดหลวงพ่อไปแล้วไม่มีเลิกยังไง คนกำลังโกรธไม่ยอมลดละพระเจริญใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าโกรธความโกรธนี่มันไม่เคยให้คุณกับใครเลยนะมีแต่ให้โทษเชื่อฉันสิผู้อาวุโสกว่าพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูกพระหนุ่มคลายความโกรธลง รู้ว่าตนล่วงเกินผู้สูงวัยกว่าจึงก้มลงกราบขอขมาลาโทษพูดเสียงอ่อนลงว่าผมขอลุเแก่โทษที่แสดงกริยาไม่สมควรกับหลวงพ่อโปรดจงยกโทษให้ผมด้วยแต่ผมก็ต้องการศึกครับศึกวันนี้และเดี๋ยวนี้ขอนั้นฉันรู้ฉันรู้ตั้งแต่เห็นคุณวันแรกนั่นแล้ว ว่าที่คุณดันดนมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาสึกเท่านั้นแต่ฉันขอร้องเถิดนะขอร้องให้คุณอยู่ต่อไปให้ครบสามเดือนแล้วฉันจะบอกอะไรให้สักอย่างฉันยังไม่เคยบอกกับใครคุณเป็นคนแรกที่จะรู้ นี่ผมจะต้องอยู่ต่ออีกตั้งเกือบเดือนเชียวหรือครับไม่ไหวกระมังหลวงพ่อไหวสิก็อยู่มาได้ตั้งสองเดือนกว่าทําไมอีกไม่ถึงเดือนจะอยู่ต่อไปไม่ได้เชื่อฉันเถอะอย่าหาว่าฉันงนงเหนียวคุณเอาไว้ใช้เลยแต่ที่ไม่ยากให้ศึกตอนนี้ เพราะเห็นว่าจะเป็นผลดีกับคุณในภายภาคหน้าที่คุณมาปรนนิบัติรับใช้บีบหนวดให้ฉั้นทุกคืนฉั้นก็ขอขอบใจขอให้เชื่อฉั้นสักครั้งและเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บเสียทั้งที่อยากศึก แต่พระเจริญก็ต้องยอมรับว่าคำพูดของหลวงพ่อเดิมมีพลังอำนาจอย่างประหลาดที่ท่านจะต้องเชื่อฟังดังนั้นจึงปิดกระเป๋าเสื้อผ้ากราบสามครั้งแล้วหยิบกระเป๋าเดินกลับกุฏิถึงที่พักท่านเมี่ยงกระเป๋าเสียงดังโครมเป็นการระบายโทสะ รู้สึกงุดหงิดงุนง่านเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดและก่อนที่จะคิดทำอะไรต่อไปความง่วงเหงาหานอนก็เข้ามาครอบงำจิตเหมือนพายุร้ายที่พัดกระหน่ำลงมาประทะร่างทำให้ท่านมิอาจทรงตัวนั่งอยู่ได้ท่านสุดกายลงนอนแผ่ลากลางห้องแล้วสิ่งประหลาดก็ดังก้องขึ้นใกล้หู รักคุ ณ, คณเจ้าจะสึกหนักนพุทธคุ ณ, คณได้หรือยั ง, รยงคราวนี้ไม่พูดยาวเหมือนคราวก่อนๆแต่ว่ากลับทาให้พระหนุ่มต้องคิดหนะักท่านไม่โต้แยง้งเหมือนที่แล้วแล้วมาแต่ครุ่นคิดทบทวนว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วจึงตกลงใจว่าจะต้องค้นหาเหตุผลต้นปลายให้จงได้คิดได้ดังนี้ ความง่วงเหงาหาวนอนพลันหายไปเกิดความกระปรี้กระเป่าขึ้นมาแทนที่ท่านเริ่มทาตามที่คิดในกุฏิที่ท่านพักมีหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานวางอยู่ตรงมุมห้องคงเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งทิ้งเอาไว้ตอนที่ศึกออกไปท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเปิดตรงพุทธคุณอ่านออกเสียงอย่างตั้งอก ตั้งใจทุกตัวอักษรอิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเฮวะมนุษยานังพุโทโธภัควาติหากท่องไม่ได้มาก่อนท่านคงอ่านไม่ออกเพราะภาษาบาลีอ่านยาก ท่านอ่านและท่องกลับไปกลับมาหลายเที่ยวอย่างพิจารณาแล้วความรู้อย่างหนึ่งก็แวบขึ้นมาในความคิดเป็นความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำบาลีซึ่งท่านสังเกตสังกาและตั้งเป็นกฎได้3ข้อคือข้อ1ตัวพยัญชนะที่ไม่ได้ประด้วยสระให้อ่านออกเสียงเหมือนประด้วยสระอะเช่น พ่อพานคอควายอ่านพคะอ่อ่างรอเรืออ่านว่าอาระจร้จานรอเรือนอนเนนอ่านว่าจารณะเป็นต้นข้อสองเครื่องหมายนิคหิตแทนเสียงงองงูเช่นออ่างรอเรือหอหีบเครื่องหมายนิคหิตอ่านว่าอารหัง สอเสือรอเรือนอเนนเครื่องหมายนิคหิตอ่านว่าสารรนังเป็นต้นข้อสเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้พยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นสอเสือมอม้าเครื่องหมายพินทุมอม้าสละอาสอเสือมอม้าเครื่องหมายพินทุพ่อพานสละอุ ทศฐารสระโอทอทงอ่านว่าสัมมาสัมพุทโธอออางนอหนูสระอุตอตเตาเครื่องหมายพินทุตอตเตาสระโอรอเรืออ่านว่าอนุตตโรปอปาสระอุรอเรือสระอิสอเสือทศฐานมอมาเครื่องหมายพินทุมอมาสอเสือสระอารอเรือทอทุงสระอิ อ่านว่าปุริสัรรมมาสารถิเป็นต้นตั้งกฎสามข้อนี้แล้วท่านจึงนำไปใช้กับธรรมคุณและสังคคคุณรู้สึกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยตนเองท่านหัดอ่านหัดเขียนพุทธคุณธรรมคุณสังคคคุณจนคล่องกระทั่งถึงเวลาฉันเพนพรุ่งนี้ หลวงพ่อเดิมคงศึกให้เราแน่เพราะพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณได้แล้วพิกสุหนุ่มนึกกระยิมยิ้มย่อง